เผยแสดงธรรมเป็นบุญนะบุญนี้หนึ่งภาวนาใหม่บุญเกิดด้วยการให้ทาน 2. สองศีลละใหม่บุญเกิดจากการรักษาศีลสามภาวนาใหม่บุญเกิดจากการเจริญภาวนาสัมมาทนาใหม่บุญเกิดจากการอมโทนนาปจววัจจะไวยวัจจมัยบุญเกิดจากการช่วยเหลือจิตการศ า, นารสนาธรรมเทเนามับุญเกิดจากการ ฟังธรรมเทศนาสรร ม, มสวัณนำไงบุญเกิดจากการฟังธรรมหลายอย่างได้เกินตราแฐ่งบุญนี้การเทศก็ได้บุญเหมือนกันผู้ฟังก็ได้บุญผู้แสดงธรรมก็ออกมาจากกิจใจของผู้แสดงถ้าสิ่งใดที่พูดไปต้องรับผิดชอบมันเป็นบุญยังไมงไมันเป็นบาปยังไงเมื่อ บันพิจิตถามในการภาหลังเพื่อจะไม่เก้อเขิ น, นการแสดงธรรมก็เป็นการบรรลุธรรมไปในตัวผู้ฟังก็ไดุ้ลได้กุศลได้ความฉลาดจากการยินดีฟังเป็นมงคลเราจึงเกี่ยวข้องกันด้วยกันและกันมีผู้พูดมีผู้ฟังเมื่อไม่มีผู้พูดเมื่อไม่มีผู้ฟังนั่นก็หมดแล้วคําสอนจึงเอามา พดทุกวันเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันนวดพูดแล้วไม่พอเอกไปทำให้มันมีให้มีบุญคือให้มีใจดีให้ละบาปคือละความใจร้ายทำหน่างนี้ทุกวันให้มีบาปเหมือนกันชีวิตของคนเหล่านี้ให้มีบุญมีสวรรค์มีนิพพานเดชะฉันจดเดชฉันไม่มีอย่างนี้เขาก็เป็นอันเดียวเขาไม่ให้รู้จักบุญจาบาป เรพัฒนาไม่ได้เรานี่เกิดมาแล้วต้องไปข้างหน้าไปสู่มรรคส่ผลใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เราเดินยืนอยู่ทางสีแพร่งอยู่บนทางสีแพร่งทางสีแพร่งเคยไปทางใดไปสู่บายภูมิเคยภูมิมันต่ําไม่เจริญไปสู่มนุษย์โลกไปเป็นผู้ศึกษามีศีลไม่ทำตะปุนทานไปสู่พุทธโลกไปสู่ ความเป็นพร ม, มเมตตากุณาไปสู่มรรคส่ผลในพานไปสู่ความหลุดพ้นจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ฉิด ท, ที่จะเดินไปขัเลือกคือเกินเดินจากความรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวเอียงไปไหลไปสู่มรรคผลในพานได้ความหลบตัวเอียงไปไหลไปสู่อาบัยวุมเราก็เลือกเดินจากนอเราก็ให้ลู่จากทาง เราความชั่วเป็นทำความดีเป็นทำจิตใ้บริสุทธิ์เป็นต้องเปิดหัดตัวเองถ้าไม่หัดก็ไม่เป็นเพราะสิ่งแวดลอ้อมมันก็จะได้นิสัยจากสิ่งแวดล้อมได้เราจึงสร้างสิ่งแวดล้อมให้ตัวเองให้จองได้เราสร้างสิ่งแวดล้อมให้แก่การรากกัอาศัยการกทําให้กันดูอาศัยการอยู่ให้กันเห็นอาศัยการพูดให้กันได้ยินได้ฟัง ให้ช่วยเหลือให้ทานที่ให้เป็นเรามีโอกาสช่วยเหลือกันเยอะแยะเราเป็นสัตว์สังคมเป็นมนุษย์เป็นครอบครัวผัวเมียลูกหลานผูวย่าตายาแล้วก็ช่วยกันดูแลกันใครมีหลงก็ช่วยให้รู้ใครทุกข์ช่วยให้ไม่ทุกข์ใครโกรธช่วยกันไม่โกรธให้ไม่หลงช่วยไม่ทุกข์ช่วยไม่โกรธไม่เสียงงินสักวาทเพื่อจะทำให้ดูเพื่อจะฟังอยู่ยเห็นแต่ให้ทางก็ให้อภัยกันให้เป็น ไม่เสียเงินจกักร่รดได้ปูนหวนกันให้อภัยไม่ถือโทษผูกเกลืองผิดแล้วแล้วไปยาผระทําผิดซ้ำให้ประกันเรื่องได้เอามาคิดคิดบ้านถือมันจะพิจารณ์ความผิดของคนอื่นเอาความทุกข์ของคนอื่นที่ทํากับเราปล่อยวางไปไม่เป็นไรู้จักให้อภัยหรือ ว, ว่าทาอาภัยทานได้ไม่ต้องเสียเงินหัวคฐานก็บอกกันให้ เห็นทีเห็นทางกำลังหลงกำลังทุกข์กำลังโกรธก็อชวนกันให้เข้าสู่ทางมันทางทุกข์ทางโกรธทางวิตกของมวลสมองมันเป็นทางไปไม่พ้นไม่ถึงไหนทางตัน่างการปล่อยการวางการเมตตากาุณาเป็นทางผ่านผ่านไปจนถึงมักถึงผลเราเพียรพยายามสร้างจะจนเรื่องทางถ้ามันหลงกอหาความรู้ ความหลงนั้นความรู้ควมปัญญามเกิดจากตัวหลงควมรู้เกิดจากตัวหลงควมทุกเกิดจากตัวหลงปัญญาเกิดจากปัญหาหาได้ไม่ยากตรงไหนมีปัญหามีปัญญาที่นั่นตรงไหนมีทุกตรงนั่นมีปัญญาอยู่ที่นั่นอย่าให้หลงเป็นความหลงอย่าให้ทุกเป็นความทุกอย่าให้โกรธเป็นความโกรธ เอามาเป็นปัญญาได้เคยจากเราบ้างเคยจากคนอื่นบ้างเหนเคยจากคนอื่นแล้วก็เอาบทเรียนเห็นคนกินเหล้าโมยาทะเลาะวิวาทกันเราก็ไม่ต้องทําไม่เคยกินเหล้าสัากตีเลยเกิดมาเพราะเห็นโทษของเหล้าเห็นคนโมเหล้าทะเลาะกันไม่ดูจากอายเราก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็มาสอนเา่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นได้บทเรียนจากคนอื่นก็มีบทเรียนจากตัวเราก็มีเช่นความหลงความทุกข์ เอพ้อนจคาคมหลงได้เพราะความหลงนั่นเองพ้นจคาคมทุกข์ได้เพราะคมทุกข์นั่นเองนามย่อกับานาบ่งบบราณท่านว่าเราเจะเพิกขัดทั้งนี้ให้เป็นทําให้เป็นเราอยู่ในโลกวิธีเพิกหัดหลักของการเพิกขัดตนมีเยอะแยะหามาแต่ไปจนก็ไม่มีอะไรที่ต้องสอนเราเราก็ไม่เป็นไรว่าลงไปไม่เป็นไรเป็นทางแล้ว ทำใจด้วยเป็นคําพูดด้วยเป็นความเห็นอย่างนี้ง่จะมีความขัดขันทุกยากสุกปัญใดก็ทําให้มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรไปก่อนมันร้อนก็ไม่เป็นไรมันปวดก็ไม่เป็นไรมันหิวก็ไม่เป็นไรคนยีฉาไปปากขนาดไหนก็ไม่เป็นไรแต่บางความไม่เป็นไรนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉยเมยเป็นบทเรียนที่จะต้องผ่านพ้นไปเช่น เราไปทำความผิดเราก็นึกว่าไม่เป็นไรไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเกิดจากเราทำแน่จะไม่เป็นไรไม่ได้ถ้าเกิดจากคนอื่นทำผิดแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นได้ถ้าความผิดเกิดจากเราทำก่ว่าไม่เป็นไรนั้นไม่ได้เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่คนละภาวะอยู่คนละฐานะกันสับเดียวกันใช่สม ม, ต, ามาติให้เป็นใช่ปรมัิต์ให้เป็น สมมติวางอย่างใช่ไม่ถูกก็เป็นโทษเป็นนิสัยของตัวเองไปติดชิ้นทำไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ทำบาปไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นให้ได้ทันทีอันนี้เราก็สอนเราไม่ต้องให้คนอื่นสอนคนอื่นสอนไม่ดีเท่ากับตัวเราสอนตัวเราอยู่ในตัวเราเอ่มณีอันเอกุต เพื่อมนุษย์ค้นหนามาให้ได้การตัดสู้หรือรู้จริงใดๆล้วนมาจากของรู้ตัวสูนั่นเองอาจารย์พุท ธ, ธาธิพูดเอาไว้ได้ธรรมชาติมันช่วยกันมันก็ช่วยกันได้เช่นปวดเน้อขั้นตัวแทนที่จะไปกินยกูกินยาแก้ปวดเลยทีเดียวอาจจะไม่ถูกเสมอไปให้ธรรมชาติมันช่วยตัวมันลงดูเพราะค่อนว่า ตามจิตทาใจด้วยว่าอ่านขั้นเนื้อขั้นตัวก็หายลงไปเพราะมันช่วยตัวเองเกิดความเข้มแข็งขึ้ น, นมาถ้าปวดนิดๆหน่อยๆกินยาแช่ปวดมันเทาแช่ปวดมันก็อ่อนเดอการช่วยวเองไม่เป็นก็กลายเป็นคนอ่อนเด้อได้ทางร่างกายเขาเช่นกันทางจิตใจเขเช่นกันในต้นในโคตรอยู่วัดฝูเขาถงมันแพผลยิงก็อานสาขามันดีไปเนี่ย ปายมันจะลากดินแล้วก็ไม่ไปข้ามันเอาไม่ไปข้าไว้ลองดูจริงหนึ่งไปแนวเดียวกันไม่ต้องเอาไม้ไปค้าว่าศึกษาธรรมชาติลองดูริงที่มัดเดบไปเอาไม้ข้าไว้นั้นพอปวดปล้ออกลากลงดินเลยจริงที่ไม่ต้องข้ามันแล้วก็ขึ้นด้วยตัวของมันเองแข็งขึ้นไปปลายมันก็สูงขึ้นไปมือดึงกันขึ้นไป เกิดความเชื่อมแข็งของเขาเอลวันนี้สุดจริงที่เอาไม้ไปคําไว้ต้องตัดทิ้งไปเพราะมันลากดินคนเราก็หวังกันเจ่นเราเรื่องลูกเวลาลูกมันหกล้มพ้าแม่อยากเรีบไปโอกันไหมบอกวันลูกขึ้นลูกขึ้นอย่า ง, งโคลอรนะ์น่ะเห็นลูกล้มทําไงเคยเรื่องลูเรื้ย ง, งต่อไม่แม่สุดหนะ่อยี่สาวหลงหลงขอนะ การเย็นแง่จะรู้ว่าคุบหนูคุบหนูงใช่ไคุบหุ๋คุบหนูลุกขึ้นลุกขึ้น <laughs> ลูกมันก็จารย์ที่มันจะร้องให้มันก็ว่าโอ้แม่บอกว่าคุบหนูลุกขึ้นมาสู้ต่อไปก็เกิดความเพียนขึ้นมาอันนี่ฉลาดสอนตัวเราเอางก็ต้องฉลาดสอนตัวเราเหมนกันอะไรก็โอ้อะไรก็โ อ, อไ้โอไปได้เราอย่งสร้างกว่ามเพียร ข, น, ยขนได้เราอย่างโลกนะ โลกนี้ไม่ได้ปูด้วยกรรมยี่หรื อ, อผ้าพรมไว้ให้เราเดินแต่ทางเดียวไม่มีขูขะบ้างแล้วก็ใหเชื่อมแข็งก็ขูข่าคืออะไรไลาบวิญญาณเสียงเสินเดียนทอสุกสุกทุกๆุกกกมันเป็นสมบัติของโลกถ้าเราไมา่เชื่มแข็งก็ถูกลดของโลกพร้อมําย่ําดีได้ถ้าเราเชื่มแขงก็เหนีวเหนือโลกถ้าเดินนี้ไม่มีใครช่วยเราได้ ประสบการณ์มันต่างกันถ้าความโกรธพอเห็นหน้ากันแล้วก็พอช่วยกันได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานี่มันมองไม่เห็นกันเราก็ต้องรู้จักช่วยกันถ้าไม่รู้จักช่วยกังอย่าจนอยู่คนเดียวอย่าทุกคนเดียวบอกกันด้วยสามีพัญญากันเน่ยก็บอกกันด้วยสามีพัญญาคู่หนึ่งมาเล่าให้เราฟังสอนกันมาถานในห้องนอนผู้สามีก็มาปฏิบัติธรรม เดินพัญยาห่วงลูกไปไหนไม่ได้จะนอนสามีก็นอนหลับเลยนอนด้วยกันแต่ามาล่าไม้ปังก็ปลุกกันขึ้นมาบอกว่าพ่อพ่อนอนก็หลับเลยเนี่ยทำไมไม่ห่วงลูกห่วงเต้าเหรอมาปลุกสามีขึ้นมาสามีก็ตื่นขึ้นมานอนก็หลับเลยเนี่ยพันยาพูดว่าคิดห่วงลูกห่วงเต้ากันนะ เอ้ห่วงลูกของเจ้าก็นอนใหมันหลับสิไปคิดอะไรเขาอยู่กรุงเทพเขาอยู่เชียงใหม่เรานอนอยู่บ้านนี้ถ้าไปคิดเขารู้จักเราอ่ะเขารู้จั ก, จกไหมว่าเราคิดถึงเขาเขาไม่รู้ดอกถ้าเราห่วงลูกเรากลุก่ก็นอนใหมันหลับก็องมาชิดช่วยกันสิคิดคนเดียวไม่ได้ไม่ใช่ไม่คิดแตกันรักลูกไม่ใช่เร่องควาคิด รักษาตัวให้ดีเป็นคนดีนอนให้หลับพิน่นายได้แต่นอนมาหลับฉันนอนมาหลั บ, นนนลบจะทําไงล่ะเออบอกกันพิกมือข้อมือพลิกมือข้อมือพลิกมือข้มือพลิกมือข้อมืออยู่นี่นะแม่นะกำคิดไปหาลูกก็กลับมาอยู่นี่ไม่นี่ยก็นอนสอนเก่าวิถีเอาไปมันก็หลับตาโอ้ที่ก็เห็นคนฆ่าของการฝึกตนนลยแต่ก่อนคนพิชิตลงโทษตัวเออ เปลี่ยนเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจลำคิดลำมากกะนอนไม่หลับว่ามีเหมือนกันอย่าให้มีสําหรับเรานะในชีวิตนี้ถ้าความคิดเป็นทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดถ้าความคิดทำให้นอนไม่หลับไม่ได้เด็ดขาดแค่นี่เองนะมันเกิดจากความคิดของเรามันเกิดจากความหลงไม่มีใครที่ช่วยเราเรต้องเปลี่ยนนั่นเองอาใจบอกกันว่าฉันคิดฉันคิด เอาอยู่ชิดซะมันก็ไม่ได้เราก็จะมีวิธีนะทำความรู้สึกไปทำความรู้สึก่าสอนตัวเองแม้แต่ผู้เจ้าต้องสอนคนไม่ได้ก็มีเยอะแยะไปถ้าเราไม่สอนตัวเราเอาสิ่งที่พู้เจ้าสอนมาไว้ในเราอย่างผู้เจ้าว่ามีคุณผู้เจ้าอย่างไรบ้างคุณของผู้เจ้ามีอยู่สีอย่างคือเมตตาที่คุณ แล้วก็มีได้เหมือนกันเอามาไว้เราคิดเชิงใดพูดเชิงใดทำเชิงใดให้ประกอบด้วยเมตตากล้าอัตญาที่คุณกล้ न, न, न, म, र, หนาที่คนบริสุทธิ์ที่คุณทําอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจให้มีปิดบังกำแพงปัญญาที่คนรู้จักแค่ของทุกข์ให้เป็นให้ทุกข์รู้จักแความโกรธให้เป็นแม่โกรธ รู้จะแยกความหลงที่เกิดเราให้เกิดความไม่หลงนี่เรียกปัญญาที่คนไปทางนี้ไปทางนี้นี่ชือว่ามนุษย์สมบัติไม่ใช่ไปโง่ช่างเรื่องนี้อย่าไปดื้อในเรื่องนี้ถ้าเราดือ้อเรืนี้ก็เป็นบาปไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกให้มีแม่ตาที่คนเราไม่แต่ความบิดเบี้ยบียดเบียนมันก็ดือ้อไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าเราสวดมนต์เนี่ย พุทโธเราชวดว่าพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นอะไรเป็นนายผู้มีศละเหนือข้าพเจ้าพระธรรมเป็นนายมีศีลละเหนือข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นนายมีศีลละเหนือข้าพเจ้าพุทธเจ้าเป็นเครื่องกัำจัดทุกพระธรรมเป็นเครื่องกัำจัดทุกพระสงฆ์เป็นเครื่องกัำจัดทุกเป็นเครื่องนะเป็นเครื่องหมเช่นเครื่องมือเอามาใช้สําหรับทุกคนไม่ใช่ไปอ้อนวอนขอถึงพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอเครื่องพระสงฆ์มาช่วย อันนั้นไม่ได้าศาสนาของเราไม่ใช่าศาสนาการอร้อนวอนศาสนาเกิดจากการการะทําสมัยหลวงตาไปสอนธรรมที่ไทหวันเขาพาไปอยู่วัดจวงเย็นไปดูวัดจวงเหย็นลูกศิษย์เราพาไปดูนี่หลวงพ่อที่นี่เป็นที่อ้อนวอนเขาก็มีเหมือนกันเวลาคนไปเย็นเอาเงินไปเสบาทแล้วก็มีคนอยู่ที่นั่นนุ่งเขาเถือเขา เอาโจทย์โทษจิตเทียงก็แล้วก็ทำท่าทำทางมากอบอบบาปนี้ออกไปนอกโบสถ์เว่งมามากรอบอบบาปนี้นั่งไปนอโวทคนที่ไปนอ้อนวอนเนื่องว่าเขาจะมาช่วยอบบาปออกนี่คือศาสตาให้การอ้อนวอนหลงพ่อพวกผมรู้สิษย์หลวงพ่อไม่เอาศาสตาให้การอ้อนวอนเพราผมช่วยตัวเองถ้ามันโกรธเปลี่ยนความแปรโกรธเป็นความรู้สึกตัวถ้าบรรทุกเป็นความทุกข์เป็นความรู้สึกตัว เป็นการกระทันนี้คนไต้วหวันเขาก็ต่างกาันในหับถือศาสนาฝ่ายมหายานแม่แต่เราก็เหมือนฝ่ายเทววาตอ่อนงอนพึ่งอาศัยภายนอกเอาชีวิตไปห้อยไปเขยนว่าอาศัยจึงภายนอกแม้แต่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเข้าไม่รอดต้องพึ่งตนเองได้ถ้าเราทุกคนไปคนดีเราพึ่งความดีของเราคนอื่นก็พึ่งความดีของเราได้ ไม่ใช่แล้วดีจากภา ย, ยนอกนะนี่คือการกระทำของเราไม่ใช่อ่อนลอนอยู่ในสถานะแบบไหนก็ได้ถ้าเราพึ่งตนเองจะทุกจะเดือดร้อนจะเจียนตายนาดไหนมันก็มีที่พึ่งไม่ขาดไปแ่แคนเลยถ้าเราพึ่งตนเองได้เป็นเบื้องต้นแม้คนอื่นจะช่วยเราก็ช่วยไม่ได้เราต้งพึ่งนะ่าหัดให้มีความรู้จากตัวนะ ให้มเป็นนิสัยเป็นปัจจัยขอให้เป็นนิสัยขอเป็นปัจจัยเพื่อถึงมรรคผลนิพพานมันต้องมีนิสัยว่าหัดท่านตัวเองมีนิสัยนี่เราจึงมีเกี่ยวข้องกันลักษณะแบบนี้ให้ได้ยินใน้ฟังเอาไว้อย่าให้จนเถอะพวกเรามีเยอะแยะเลยทางสอนเนี่ยไม่ใช่อยู่กับพุทเจ้าอยู่กับเราอมงอไว้ในเราน้อมเราเข้าไปหาออลองไป ศาสแถ่งบนมีเยอะแยะศาตร์แห่งกุศลมักผลนิพพานมีเยอะแยะเห็นใบไม้ร่วงก็เป็นนิพพานได้เห็นท่อนไม้ไล่มาตามแม่น้ําก็เป็นนิพพานได้เห็นทุกข์ของคนอื่นก็เป็นนิพพานได้ยินพระอานนท์สมัยก่อนโสเภณีเป็นโลกร้องไห้ป้านอยู่ใกล้วัดได้ยินเสียงโสเภณีปวดโลกร้องไห้ พระสองจิตวัดได้วรุษทำไรพรเะเทสคุณลวุติทุกวุ่นวายเหลือเกินทุกเหลือเกินเดินร้นเหลือลเกินความทุกข์เพื่อให้เกิดควา ม, มทุกข์หาความทุกข์เป็นเหตุเจ้าก็อยู่ป่ายศิปตนะบริขารจวันเดินจงกรมอยู่ตอนใกล้ลุ่งพระเจ้าขานต่อบว่ที่ไม่ทุกที่ไม่วุ่นวายมาที่นี่มาที่นี้เทสคุลวุฒก็เดินเข้าไปหาฟัางธรรม บางทีก็ต้องให้กันรู้ว่าให้รู้จักช่วยกันเรื่องนี้ยิ่งเราเป็นครอบครัวสายมีปัญญากันยิ่งจสนุกช่วยกันก็ตื่นรุ่นมากเรื่องนี้อย่าปล่อยปะละเลยช่วยกันให้ด้มันน่าภาคภูมิใจช่วยกันโกรธไม่หายช่วยกันที่เป็นคนโกรธให้หายความโกรธอุ้ยชื่นใจช่วยคนที่ทุกข์หายเป็นทุกข์ชื่นใจชื่นใจมากๆเลย ช่วยคนทุกข์ช่วยไม่ทุกข์ช่วยคนโกรธไม่โกรธช่วยคนหลงไม่หลงเนี่ยเป็นหน้าที่อยู่ใกล้กันนิดเดียวเลยเราจะให้ขาดแคลนก็ติดล้นกัน